นิทานไทยสโน w ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากๆแล้วราชนีและราชาปกครองดินแดนห่างไกลแห่งหนึ่งราชนีเป็นคนที่ใจดีมากและก็น่ารักประชาชนต่างลงรักเธอความเศร้าเดียวของเธอคือเธออยากมีลูกแต่กลับมีไม่ได้ <c oughs> วันหนึ่งในฤดูหนาวราชินีนั่งอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างและนั่งถักทอผ้าทัานใดนั้นนกหิมะสวยมากตัวหนึ่งก็มานั่งที่หน้าต่างนกพยายามทําให้ราชินีสนใจและจิกนิ้วของเธอหยดเลือดหล่นลงไปใส่หิมะหน้าหน้าต่างเมื่อเธอมองไปที่หยดเลือดนั้นเธอเห็นว่ามันกลายเป็นรูปหน้าตาเหมือนเด็กทารกเธอแปลกใจมาก และบอกกับพระเจ้าว่าแท้พระเจ้าหิมะมค่ะฉันหวังว่าฉันจะมีลูกสาวที่มีผิวขาวเหมือนหิมะมปากแดงเหมือนเลือดและผมดำสนิทหลังจากนั้นราชินีก็ท้องและเธอก็รู้สึกป่วยหมอหลายคนพยายามรักษาเธอแต่ช่วยไม่ได้ที่รักอย่าห่วงเลยคุณจะหายดีแน่นอนอย่าพึ่งสิ้นหวังเชื่อในพระเจ้า แล้วฝันของเราที่จะมีลูกก็จะเป็นจริงขึ้นมาข้าที่รักฉันก็หวังแบบนั้นแทบพระเจ้าหิมะให้พอแล้วอะไรก็จะผิดพลาดไม่ได้ทั้งนั้นหลังจากนั้นก็เกิดฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บ้านไปทุกที่ตอนที่พวกเขาเตรียมคลอดเมื่อใกล้คลอดราชินีก็ป่วยขึ้นเรื่อยๆวันนั้นเป็นเช้าที่สดใสพระอาทิตย์สาแสงรุนแรงจนหิมะละลายจนหมด ราชนีให้กำเนิดเด็กหญิงที่สวยมากเธอให้กำเนิดลูกที่น่ารักที่ผิวขาวเหมือนหิมะปากแดงเหมือนเลือดและผมดำสนิทราชนีของข้าคุณให้ของขวัญที่ดีที่สุดตลอดการกับผมบอกมาว่าคุณต้องการอะไรผมจะให้คุณทุกอย่างเลยขอบคุณที่รักแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะได้ใช้เวลากับลูกโอ้ที่รัก <laughs> เจ้าผิวขาวเหมือนหิมะข้าขอตั้งชื่อเจ้าว่าสโนวไว้สัญญาสิทิรักว่าคุณจะดูแลลูกสาวฉันอย่างดีตลอดไปและสัญญาว่าคุณจะแต่งงานอีกและไม่เศร้าที่ฉันจากไปผมจะดูแลลูกไม่ว่าจะยังไงที่รักอย่าร้องเลยนะที่รักราชาของข้าและก่อน <c oughs> ท่รัก อย่านะที่รักอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวราชาเศร้าอยู่หลายปีที่ราชินีตายไปเขาดูแลสโนไว้ด้วยตัวเองแต่ส่วนมากเขาจะเอาแต่ใช้เวลาในการบริหารบ้านเมืองเขารู้ว่าลูกสาวของเขาจะต้องได้รับความรักจากแม่เขาเลยตัดสินใจแต่งงานใหม่ ราชินีคนใหม่สวยมากแต่ยิ่งไปกว่านั้นเธอเย่อหยิ่งและโหดร้ายมากเธอฝึกศาสตร์มนต์ดำควบคุมจิตใจราชาเธอมีกระจกพิเศษที่สามารถทำนายทุกอย่างเมื่อไหรก็ตามที่เธอต้องการกระจกที่รักกระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตต ภ, ภีท่านนั่นแหละ ที่สวยที่สุดโ อ, จจอจ้จริงเหรอเจ้าอัจฉริยะจริงๆเลยเวลาผ่านไปสโนไวสวยมากขึ้นสวยกว่าที่เคยเป็นเธอกลายเป็นสาวที่สวยที่สุดในอนาณาจักรแม่เลี้ยงเริ่มที่จะอิจชาเธอกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกข้าเธอใครงามเลิศในปัตภีลอธิบดีของข้า ท่านสวยนะข้าอยอมรับแต่ว่าสนนไว้ตัางหากที่สวยกว่าท่านกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงไร้สาระขอโทษด้วยแต่ข้าต้องพูดความจริงนะท่านราชินีกโกรธมากและเรียกนายพลามาหาแม่นักสโนไวต์ท่านไปที่ป่าและข้าซะเอาหัวใจของมันมาให้ข้าด้วยเป็นหลักฐานรับท่าน ราชนีล่อลวงสโนไวให้เข้าป่าให้เอดดอกไม้วิเศษที่จะทำให้เธอสวยที่สุดในโลกนายพรานพาสโนไวเข้าป่าแต่กลับฆ่าสโนไวไม่ลงองค์หญิงแม่เลี้ยงของคุณสั่งให้ผมฆ่าคุนแต่ผมฆ่าคุนดีและสววอย่างคุณไม่ได้วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดอย่ากลับมาที่หวังอีกนะอ๋อคณใจดีมาก แม่ฉันทำโทษคุณแน่ถ้าคุณไม่ค่าฉันผมจัดการกับเธอเองคุณไปก่อนเถอะสโนไวท์พยายังวิ่งให้เร็วที่สุดในพลาดอ้หนจาของม่ป่ามาให้ราชนีแทนฮ่าฮ่าฮ่า่้าจะสวยที่สุดแล้วตอนนี้สโนไวท์ตัวคนเดียวในป่าเธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี ต้นไม้เริ่มที่จะกระซิบกระซาบกันทำให้สโนไว้กลัวและเริ่มวิ่งเธอวิ่งข้ามหินแหลมไปผ่านขวากน้นาแมกไม้และเมื่อตกค่ำนกตัวเล็กๆ ก, ก็มารวมตัวที่นางและเริ่มที่จะพันผ้ า, นาพันคอให้เธอเธอรู้ว่านกพยายามจะบอกอะไรเธอพยายามตามนกไปหลังจากนั้นก็เจอกับบ้านเล็กๆแปลกๆและตามนกเข้าไปในนั้น ในบ้านทุกอย่างเล็กมากแต่เป็นระเบียบในนั้นมีโต๊ะเล็กๆที่มีผ้าปูสีขาวและมีจานเล็กๆเจ็ดจานพร้อมอาหารที่อีกฝั่งก็มีเจ็ดเตียงเรียงอยู่ด้วยกันตอนนั้นสโนไวหิวมากเธอเลยกินผักกับขนมปังบนจานแต่ละจานและเธอดื่มนมแก้วละนิดเธอเหนื่อยมากและอิ่มมากเลยนอนบนเตียงหลับไป หลังจากค่ำเจ้าของบ้านก็กลับมาจากข้างนอกพวกเขาเป็นคนแคระทั้งเจ็ดที่ทํางานเหมืองทองนุกพยายามปลุกสโนไว้แต่เธอหลับลึกมากตอนที่พวกเขามาถึงบ้านพวกเขาเห็นคนอยู่ที่นั่นใครมันนั่งบนเก้าอี้ฉันใครมันกินของจากจานฉันใครมันกินขนมปังฉันใครกินผักฉันเนี่ย ใค้ใช้ซ่อมฉันแล้วใครดื่มนมจากแก้วฉันแต่ตัวที่เจ็ดมองไปที่เตียงพบว่ามีสาวสวยกำลังนอนหลับอยู่มีคนหลับบนเตียงฉันด้วยคนแคททั้งเจ็ดวิ่งไปที่เตียงโอ้พระเจ้าเธอสวยมากเลยนะนี่ให้เธอนอนไปเงียบๆก่อน พวกเขาก็หลับรอบข้างเตียงสโนไวตื่นขึ้นมาตอนเช้าเมื่อเธอเห็นคนแคระเธอกลัวมาก oh. คนแคระได้ยินเสียงเลยตื่นอย่ากลัวอย่ากลัวเราคือคนแคระเธอมาอยู่ที่บ้านเราเ น, นี่ยนี oh. Oh. Oh. Oh. ่เธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อสโนไวแล้วมาเจอบ้านเราได้ยังไงอ่ะ สโนวไวล์เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคนแคระคุยกันสักพักแล้วพูดว่าถ้าเธอดูแลบ้านให้เราทำอาหารให้เราทำขนมปังให้เราล้างและถูบ้านให้เราและจัดการทุกอย่างเธอก็จะอยู่บ้านกับเราได้เธอจะอยู่ตอนไหนก็ได้ได้ฉันเต็มใจสโนไวล์อยู่กับคนแคระอย่างสุขใจทุกเช้า คนแค่ะจะออกเดินทางไปทำเมืองที่ภูเขาและตอนค่ำพวกเขาจะกลับมาและพบว่าสโนไวจัดการทุกอย่างทำอาหารพร้อมกินตอนกลางวันสโนไวจะอยู่คนเดียวมีแต่เพื่อนเป็นนกและสัตว์ในป่ากระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกข้าเถอะใครงำเลอรได้ปะตัาพีท่านนั่นแหละที่สวยที่สุดข้ายอมรับแต่สโนไวที่อยู่ในภูเขากับคนแค่ทั้งเจ็ด ยังสวยกว่าท่านเป็นพันเท่าอ๋อไม่นะเ อ, อในพร า, านั่นยังไม่ตายเหรอในพราานลอกฉันนี่นะฉันจะสั่งสอนมันทีหลังแต่ฉันจะต้องฆ่าสโนไว้ก่อนทำยังไงดีล่ะบอกมาสิว่าจะทำยังไงราชินีทำกระจกแตกโดยไม่รู้ตัวพราะกฎเธอคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกถ้าจะจัดการสโนไว้อย่างไงดีสุดท้ายเธอนึกออกเธอเข้าไปในห้องลับที่สุดของเธอ ที่นั่นจะไม่มีใครเข้าไปได้ที่นั่นเธอทำแอปเปิ้ลอาบยาพิษมันถูกทำมาอย่างดีถึงแม้ว่ามันจะมีพิษมันก็ดูสดน่ากินมากจากข้างนอกหลังจากนั้นเธอแปลงร่างเป็นหญิงแก่เธอเดินไปที่บ้านคนแคร์หลังเขาและไปเคาะประตูสโนวทเอาหัวยื่นมาที่หน้<ค>นตาตาคุ้นคร ค, ค, ค, ค, ค่มีอะไรฉันช่วยบ้างอ๋อเปิดประตูหน่อยแม่หนูขนสวย ฉันจนมากเลยฉันอยากจะเข้าไปเอาแอปเปิลไปแลกกับขนมปังให้สามีที่กำลังจะตายดอกฉันให้ใครเข้ามาไม่ได้นะคนแคระไม่ให้ค่าทำแบบนั้นนะออไม่เป็นไรนะงั้นฉันจะให้แอปเปิลสวยสดกับเธอก่อนแล้วกันแลกกับขนมปังนี่เนะมื่อสโนไวทเห็นแอปเปิลสวยสดสีแดงประกายเธออดใจไม่ไหวที่จะกินเธอเข้าครัวไปเอาขนมปังสดใหม่ที่ทำให้คนแคระออกมา เธอเอามันให้กับหญิงแก่เอาไปแลกกับแอปเปิ้ลสีแดงนั่นเธอแทบจะยังไม่ได้กัดมันเลยแต่เธอก็ลงไปนอนตายกับพื้นาราชินีแปลงร่างกลับม า, า, าแม้ขาวเหมือนหิะปากแดงเหมือนเลือดผมดำนักเหรอคนแค่ทั้งเจก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะเธอเรีบกลับไปที่วังและไปยืนหน้ากระจกที่แตกแล้วกระจกวิเศษจงบอก ในดินแดนนี้ใครสวยที่สุดแล้วกระจบก็ตอบคำถามนางตามประสงค์ท่านนั่นแหละที่สวยที่สุดท่านราชนีเมื่อคนแค่ ก, กลับบ้านพวกเขาเจอสโนไว้นอนตายบนพื้นเธอไม่หายใจเธอตายสนิทพวกเขายกเธอขึ้นมาและมองเธออย่างอาลัยคุยกับเธอขย่าเธอร้องไห้แต่ไม่มีอะไรช่วยได้เธอตายตายสนิทแล้ว พวกเขาเอาสโนไว้ไปวางไว้บนกองฟางและคนแคระทั้งเจ็ดก็นั่งข้างเธอ <ownership> แล้วไว้อรรยร้องไห้สามวันติดพวกเขากำลังจะฝังเธอแต่เธอก็ยังไม่เน่ายังสวยเหมือนคนเป็นแก้มก็ยังแดงอยู่เราจะเอาเธอไปฝังในดินไม่ได้ให้เธอสวยสด เท้าใสเหมือนแบบนี้ตลอดไปพวกเขาเลยทําลงศพจากแก้วขึ้นมาให้เธอได้ถูกมองเห็นจากทุกด้านเอาเธอไปวางไว้ข้างในและเขียนตัวหนังสือสีทองเขียนว่านี่คือเจ้าหญิงสโนไวหลังจากนั้นพวกเขาเอาลงศพไปวางไว้บนภูเขาสัตว์ต่างๆมาไว้อะไรให้กับสโนไวตอนนั้นในเวลาเดียวกันเจ้าชายคนหนึ่งก็เข้ามาในบริเวณของภูเขาเพื่อล่าสัตว์ เขาเห็นคนแคระทั้งเจ็กับสัตว์ล้อมรอบโรงศพเขาสงสัยว่าอะไรกันอยู่ในโรงนั่นที่ทําให้สัตว์มารวมตัวกันได้เจ้าชายเดินเข้าไปและอ่านหนังสือสีทองเขาคิดว่านี่เป็นสาวคนเดียวที่เขาฝันถึงเสมอหลังจากนั้นเขาเห็นคนแคระใกล้ๆฉันขอเอาโรงศพนี้ไปนะฉันจะให้นายทุกอย่างเพื่อได้เธอไปเราไม่มีทางขายให้กับอะไรทั้งนั้นให้ฉันเถอนะ ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้มองเธอฉันต้องตายแน่ๆถ้าฉันพาเธอไปไม่ได้บ้าไปแล้วเหรอจะเอาคนตายไปทำไมร์ฮะฉันจะให้เกียรติเธอสร้างอนุสาวรีใกล้วังเพื่อให้เธอสู่สุคติคนแคร้สงสารเขาเลยยอมรับองค์ชายให้คนใช้คนล่วงศพไปแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นคนใช้ของเขาสะดุดก้อนหินมันทำให้เศษแอปเปลิลที่เธอกินไปหลุดออกมา เจ้าชายรีบวิ่งไปที่โรงศพเขาวางเธอลงแล้วมองเธอเธอสวยเหมือนตอนยังไม่ตายเจ้าชายจูบเธอที่หนา้าผากทันทีที่เจ้าชายจูบเธอลืมตาขึ้นมาแล้วเธอก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าฉันอยู่ไหนเนี่ยเธออยู่กับฉันฉันคือเจ้าชายเจ้าชายเล่าเรื่องให้เธอฟังโออพระเจ้า คุณตัดสินใจเก็บฉันไว้ถึงแม้ว่าฉันจะตายแล้วเหรอทำไมกันเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในฝันของฉันฉันรักเธอมากกว่าอะไรในโลกนี้มากับฉันที่วังจะแต่งงานกับฉันเป็นราชินีให้ฉันไหมได้เจ้าชายที่หล่อเหลาของฉันแต่ฉันอยากจะเจอพ่อฉันก่อนฉันอยากจะให้เขาให้พรเราแต่ฉันได้ยินว่าพ่อของเธอหลงทางไม่กลับอาณาจักรมานานแล้วนะี่เป็น ชั่วของแม่เลี้ยงเลวของฉันนี่แนะช่วยฉันหน่อยได้ไหมให้ฉันได้เจอพ่อโอเคไปที่วังไปหาเขากันเจ้าชายตัดสินใจตามหาพ่อที่หายไปของเธอเขายึดอาณาจักรของเธอที่ราชินีชั่วยปกครองอยู่ในปราสาทนั้นพวกเขาเจอห้องลับของราชนินีและเจอพ่อของสโนไว้ในคุกลับและปล่อยเขาออกมาเมื่อราชนีเห็นราชาถูกปล่อยออกมาเธอเลยกลัว และรีบวิ่งห น, นีไปและไม่มีใครได้พบนางอีกเลยราชาประกาศให้เจ้าชายแต่งงานกับลูกสาวของเขาสโนไวท์แต่งงานด้วยความรู้ราเลิศเลอทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้น